อยู่กันที่นี่ชอบอยู่แตแบบลื่นนิดนึง เค่งหูมันก็ยังไม่พอนะ ต, อต้องใช้ใจในการรับรู้นะในการสัมผัสนะกับคำพูดนะสัมผัสกับความรู้สึกตัวของเราเองสัมผัสกับสภาวธรรมที่บางทีมันก็ย้อนนะ คนก็อาจจะดีใจซึ่งได้รับข่าวเดียวกันนะแต่ปฏิกิริยาที่ทสแสดงออกมามันต่างกันนะต่างกันเพราะอะไรมันก็มีที่มาเหมือนกันนะอย่างเช่นบางท่านตกใจเนาะอาจจะตกใจเพราะมีที่มาว่าไม่คาดคิดว่าท่านจะไปเร็ว ขนาด น, นี้นะไประมาณนะก็ก็เลยตกใจะบางท่านก็อาจจะเศร้าใจนพอทราบข่าวการสวรรคตก็เศร้าใจความรู้สึกเศร้ากเกิดมาบางท่านก็อาจจะเฉยเพราะว่าเตรียมใจไปแล้วนะ่วางใจไว้แล้วว่าต้องเกิดแน่นอนพอทราบก็เลยเฉยนีหคือบางท่านก็อาจจะดีใจอาจจะดีใจด้วยเหตุว่าอืม ท่านจะได้ไสบายจะได้ไม่ทรมานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าบางทีเราได้ยินสิ่งเดียวกันนะแต่ความรู้สึกของแต่ละคนมันแตกต่างกันอันนี้เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเพราะว่าฐานนะฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันที่จริงมันรู้สึกอย่างไรนะไม่ได้สำคัญนะ รู้สึกแตกต่างกันได้ไม่ผิดนะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ตัวอย่างที่ย้อนจะยุครู้สึกแบบไหนไม่ผิดหรอกนะแต่เพียงและแต่พี่มีสติคอยรู้ทันมันก็พอสังเกตไหมพอเช่นบางคนตกใจปุ๊บนะพอตกใจนิดนึงพอรู้สึกตัวนะความตกใจมันก็หายไปนะมันก็ตกใจไม่นานหรอกนอกจากถ้าคนขาดสติก็ตกใจก็ก็นานนะ แต่ถ้าเป็นอารมณ์บางอย่างเช่นบางทีเศร้าใจถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะมันก็จะเข้าไปจมในความเศร้าอยู่นานแต่ถ้าเรารู้สึกตัวสังเกตไหมพอรู้สึกว่าเศร้านะความเศร้ามันก็หายไปกลับมาเป็นปกติหรือความรู้สึกเช่นอาจจะดีใจนะที่ท่านที่ท่านไม่ทรมานแต่พอแค่รู้สึกปุ๊บนะี่ยความคิดนะั้นมันก็ แล้วก็จบมันก็นกอืมมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีใจอะไรมากมายเสียใจเองก็ไม่ใเสียใจอะไรมากมายนะถ้าเราถ้าเรามีสตินะแต่ถ้าเราขาดสติมันก็อาจจะไปองต่อเยอะเลยนะในอารมณ์นั้นหรือเช่นเวลาเราเอามีความสงสัยอะไต่างๆนะถ้าเราไม่รู้ทันมันมันก็จะไปคิดเยอะแ ย, ย, ยะมากมายแต่ทจริง ก็อยากจะบอกว่าคือทุกอย่างมั น, ม, นมีเหตุต้องให้เกิดนะมันเกิดขึ้นมาแบบนี้เพราะมันมีเหตุของมันนะมันไม่ได้ผิดธรรมชาติหรอกนะ่นพระพทุทธเจ้าเองเวลาท่านสอนนะท่านไม่ได้บอกว่าอะไรผิดหรื อ, รอถูกในอารมณ์นั้นนะท่านบอกว่าให้เรามีสติ ค, คอยรู้ทันมันนะอย่างเช่นเวทนาเลยเนะาะพระพุทธองค์ก็บอกเนะี่ยอ่า สุขก็รู้นะทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้นะรู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละหรือในจิตจิตตาโนปัสสนาก็เหมือนกันเขาบอกมีสติคอยรู้น่ะจิตตานี้มีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตตานี้มีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตตานี้มีราคะก็รู้ว่ามีราคะนะจิตตานี้ไม่มีโทสะก็รู้จิตตานี้ไม่มีโมหะก็รู้ จิตตอนนี้ไม่มีราคะก็รู้คือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมัน <S <S เราก็แค่ดูมันอย่างที่มันเป็นนะ่ะมันมีก็รู้มันไม่มีก็รู้อประมาณนั้นนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะความสําคัญจริงเพียงแค่เกิดมาเพื่อให้รู้เท่านั้นแหละนะไม่ได้แตกต่างกันนะจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะเราก็เพียงแค่รู้ การเพียงแค่รู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะไม่ไอสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่แค่อาการจิตใไม่ไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี ก, กันนะแต่บางทีถ้าเราถ้าเราไปตีความไปให้ท่ามากนะ่ามันก็จะเกิดความชอบหรือความไม่ชอบนะในในจิตใจนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแหละนะส่วนใหญ่มันก็มี ถ้าเกิดอารมณ์ดีๆขึ้นมานะ เ, าเราก็จะชอบ <feasible. S 1> เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็รู้จั ก, ร, กรู้สึกไม่ชอบเกิดความคิดดีๆนะเราก็อยากจะคิดต่อก็ชอบเกิดความคิดไม่ดีนะเราก็ไม่อยากคิดนะอยากจะห้ามความคิดเราก็ไม่ชอบไอ้พวกที่จริงไ อ, อ้ตัวความทุกข์เนะี่ยอย่างที่ว่าเมื่อวานนะความทุกข์มันเกิดตอนที่ ที่เราเนี่ยแหละพอเราไม่ชอบนะหรือเราชอบก็ดีเราจะเกิดการปรุงแต่งตัวบานนี้อธิบายให้โยโมคนหนึ่งฟังเราจึงก็เลยทดลองอธิบายผู้โยโมก็ส่วนใหญ่ฟังเลยนะบางทีอารมณ์นะมันเกิดขึ้นมาเช่นตัวแรกเลยถึงว่าได้เป็นลําดับอนะหนึง่งมันเกิดมางดเป็นความคิดอะไรก็แล้วแต่นะช่างมัน แต่เป็นความคิดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วคราวนี้พอเรารู้ตัวที่สองเกิดมาคือตัวรู้รู้ว่ามันคิดอรู้ว่ามันคิดปุ๊บเนี่ยถ้าเรารู้เฉยๆนะมันก็จบแต่ควางทีไอความคิดนั้นมันเกิดมาเช่นสมมติมันคิดไม่ดีสมมมันคิดไม่ดีพอเรารู้ว่ามันคิดไม่ดีปุ๊บเนี่ยอางทีตัวที่สามมันเกิดขึ้นมาบางที ก็รู้สึกไม่ไม่พอใจไม่ชอบอยากจะให้มันไม่คิดแบบนี้นะไอ้ตัวที่สามเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราไปปรุงเป็นตัวที่สี่ไปจัดการความคิดไม่ดีไปห้ามความคิดไม่ดีเป็นความไม่พอใจแล้วก็เป็นความทุกข์ไอ้ตัวที่สามมันเป็นเหตุให้เกิดตัวที่สี่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่จริงๆถ้าเราตัวที่สามปุ๊บเรารู้ว่าคิดไม่ดีปุ๊บมันมีสตริรู้ทันปุ๊บ ตัวที่สี่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือตัวที่มีสติรู้เิยเฉยความรู้สึกไม่พอใจมันก็จะจบแต่ถ้าตัวที่สี่เนี่ยมันเกิดรู้สึกมันไม่มีสตินะมันก็ไปปรุงแต่งตามความไม่พอใจความไม่ชอบเนะี่ยมันก็จะยาวไปเลยเนะีป็นห้ามความคิดไปปมความคิดไปอไม่พอใจตัวเราเองอะไรประมานี้ก็จะยาวไปเป็นตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดไปแต่ถ้าตัวที่ มันสำคัญที่ตัวที่สองปุกเช่นสมมติเรารู้เฉยเฉยเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่เป็นไรนะรู้เฉยเฉยปุ๊บน่ะมันจบน่ะมันไม่ต่อเป็นชอบไม่ชอบหรือบางทีอารมณ์บางอย่างเราไม่ทันมันต่อเป็นความชอบความไม่ชอบความอยากความไม่อยากเราก็มีตัวที่สี่ที่แบบคอยคอยสกัดอีกทีนึงรู้ทันมันเนี่ยรู้ทันมันปุ๊บน่ะมันก็จะจบไปอันนี้คือ คือถ้าสติเราเร็วนะอ่ามันก็นี่ยแค่รู้อ่าแค่รู้อาการที่มันเกิดขึ้นปุ๊บรู้เฉยเฉยมันก็จบละตั้งแต่ตัวที่สองแต่ถ้ามันไม่รู้เฉยเฉยมันไปชอบไม่ชอบเนะี่ยเราก็ยังมีตัวที่สี่คยรู้ปุ๊บเห็นแะล้แต่บางทีมันก็เผลอไปยาวเลยนะไม่รู้ไปรู้ทันตัวที่เท่าไหร่เนะ <c oughs> มืนมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านเปรียบเทียบว่า ภาวนานะมันเหมือนแต่ก่อน่ะถ้าสติเราน้อยมันเหมือนกระบวนรถไฟนะเราไม่รู้ไม่ค่อยทันไอ้หัวขบวนนะ่ะเช่นสมมติรถไฟมันบินปุ๊บผ่านสนะติของเรามันไปทันนู่นตอนท้ายขบวนนะ่ไปปรุงแต่งเยอะแยะมากมายแล้วค่อยรู้ตัวนะมันไปรู้ทันที่ท้ายขบวนรถไฟแต่พอสติเราเร็วขึ้นปุนะ๊บเนี่ย มันก็รู้ทันกลางกระบาลนะแล้วก็รู้ทันค่อนข้างทางหัวกระบาลนะมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะมันคิดปุ๊บต่อไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บจิดไดลปุ๊บรู้ปั๊บอันนี้คือคือสติที่มันก็เกิดขึ้นได้เนาะดังนั้นเวลาเกิดได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีหรือรู้สึกอย่างไรก็ดี มันเกิดอารมณ์พรุงแต่งอย่างไรก็ดีนะเออไม่ไม่ได้สําคัญนะปรุงแต่งในทางดีก็ตามปรุงแต่งในทางไม่ดีก็ตามหรือพรุงแต่งในทางเฉยๆก็ตามนะหนะ้าที่เราเพีงแค่รู้ไม่ต้องไปสําคัญว่ามันคิดอะไรก็ได้นะไม่ต้องไปรู้ว่ามันคิดอะไรก็ได้แค่รู้ว่าใจมันเผลอไปคิดเนี่ยพอเลยนะ บางทีก็ไม่ต้องพูดด้วยนะว่าใจมันเผลอคิดแต่มันถึงว่าแค่รู้สึกว่าใจมันเผอ่นะใจมันปรุมใจมันเคลื่อนนะใจมันเนี่ยใจมันไหลออกไปนะเรีว่ารู้ว่านะรู้กายเคลื่อนนะรู้ใจเคลื่อนก็เมืออันนี้คือรู้ใจมันเคลื่อนเคลื่อนออกไปจากความเป็นปกติเนี่ยรู้แค่เนี้พอเลนะรู้ทันว่มันเคลื่อนรู้ทันมันเคลื่อนรู้ทันว่ามันพุ่งรู้ทันว่ามันหนักอะไรเนี่ย รู้ที่มันเป็นเหมือนสภาวะที่เป็นเหมือนเป็นเพียงแค่อาการนะไม่ใช่ไปรู้ที่เป็นสมมุติอะไรมากมายไอรู้ว่าคิดนั่นคิดนี่น่ะเนี่ยเป็นสมมตุติะแยกมากมายนะแต่ที่จริหารู้ที่เป็นอาการประมาณ น, นะมันหนักมันเคลื่อนมันอไหวอะไรนะมันเราจะเห็นแบบนี้ได้อ๋อไปละไปจากความเป็นปกติเนี่ยเราอันนี้มันก็ มันจะเกิดขึ้นชัดๆนะตอนที่เรากระทบกับอารมณ์ที่ที่เด่นๆนะเช่นได้ฟังเรื่องที่ที่แปลกๆได้ทั้งเรื่องที่นนมันใหญ่ๆหรือได้เห็นอะไรที่มันใหม่ๆนะบางทีความรู้สึกตรงนี้มันก็มันก็จะเกิดขึ้นได้เยอะมากนะหรือบางทีมันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันก็จะเกิดขึ้นเยอะ แต่สนะเกตไมมเวลาเดินจมกลมเวลาปฏิบัติทมบังทีแต่ก่อนนะมันก็จะไหลไม่คิดเยอะมากเลยเรื่องอดีตนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ต่อไปมันทีมันก็จะไหลอยู่ใกล้ๆตัว น, นะเห็นนกรอมอนก็จะไหลไปหานกนะเห็นดอกไม้นะใจก็จะไปหาดอกไม้เห็นมดนะใจก็จะไปไหลไปหาหมดนั่นะนี่ืนะ่อทีมันก็จะ ก็ไหลไปนิดนิดหน่หน่อยนะมัก็คืออาการที่จิตมันไหลนะนะคอยรู้ทันมันคอยรู้ทันมันเราไม่ต้องไปห้ามไม่ให้มันไม่ไหลนะแต่เพียงแค่รู้ทันเวลามันไหลไปเนี่ยพอไลยนะไม่ต้องไปห้ามมันแต่ก็สิ่งสําคัญก็อย่างที่ว่านะสติมันก็ต้องมีฐานสติมันก็ต้องมีมีห ล, ลักหลักหรือฐานนะ เราทาอะไรนะก็ให้เราตั้งใจรู้ตรงนั้นแหละเป็นหลักนะเดินก็รู้สึกตัวยกมือก็รู้สึกตัวนะเป็นหลักนะเป็นหลักไว้ <c oughs> ไอ้ที่บอกว่าการรู้จิตรู้ใจเนะี่ยมันเป็นตัวแทรกนะอเย่าเพิ่งเอาเป็นหลักนะสำหรับคนที่สติอ่อนนะถ้าไปรู้จิตรู้ใจเป็นหลักเลยเนะี่ยบางทีมันจะหลงกับอารมณนะ์มันจะแยกไม่ออกระหว่างการรู้การดู หรือว่าการไหลไปเข้าไปเข้าไปอยู่กับมันนะเราคิดว่ารู้นะบางทีอย่างเช่นบางคนรู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้านะแต่ออกจากควาเศร้าไม่ได้อันนี้ไม่ใช่รู้นะไม่ใช่ดูนะมันเข้าไปอยู่นะคล้ายเหมือเราอยู่ในน้ําอ่ะโอ้เห็นนะเห็นน้ําเห็นข้างในเห็นข้างในของน้ํำนะแต่มันยังากาศน้ําเยอะนะแต่สเต็กจริงๆมันเหมือน แต่ก่อนพูดเราจมน้ําเข้าไปปุ๊บถ้าเราโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้นี่ยเราเห็นละพอทัศนติมันมากขึ้นอีกมันเหมือนขึ้นมาบนฟังเลยเห็นน้ําเหมือนกันนะแต่เห็นด้วยระยะห่านที่แตกต่างกันแต่ก่อนเราไปอยู่ในน้ํานะเราก็ว่าเราเห็นน้นําเนยมุดลงไปจมลงไปก็เห็นสัมผัสได้กับน้ํา ต่อมามันก็โผล่ขึ้นมาอาจจะพผว่แก้หัวขึ้นมาปุ๊บนะคนน้ํานะตามองเห็นน้ํำอยู่แต่ตัวยืนจมอยู่พอไปสติมันมากขึ้นปุ๊บมันมันขึ้นฝั่งเลยมันขึ้นฝั่งนะก็ยังเห็นน้ํำอยู่นั้นแต่มันระยะห่างมันแตกต่างกันอันนี้เราก็มันเป็นพัฒนาการที่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆมันถึงจะเกิดพัฒนาการพวกนี้เนาะ แต่ก็อย่างที่ว่าแหละบางทีมันก็เกิดขึ้นมาละเราก็พยายามรู้มันเท่าที่มันเท่าที่มันจะรู้ได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งฐานกายได้นะฐานกายเนี่ยเป็นฐานที่ที่สําคัญมากโดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่มันจะทําให้เราแยกได้ชัดว่าอืมอะเวลากายมันรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากนะแต่พอความคิดมันแทรกเข้ามาเนี่ย มันจะมาทําให้เราดื่มกายทําให้เราดื่มกายเช่นเราเดินอยู่นะเดินเดิเดเดพอคิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะลืมเลยว่าตัวกําลังเดินหรือนั่งยกมืออยู่ก็เหมือนกันปุ๊บน่ะพอคิดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะลืมเลยว่าเรากำลังยกมือความคิดอ่ะมันจะมาปังมันจะมาปังความรู้สึกตัวแต่ถ้าเรามีสติรู้ปุ๊บ ความคิดมานหายปั๊บเนี่ยเราก็ความรู้สึกตัวมันก็ปรากฏ อ, อยู่ตอง น, นั้นอยู่แล้วนะมันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่อยู่แล้วของมันเน่นเราก็ตั้งใจรู้ตรงนี้ไปนะ่ะแต่อย่าไปแบบอย่าไปกําหนดดู้กายแบบให้มัน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะรูให้มันแบบเป็นหลักเฉยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาเอาแต่กายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไม่ไม่ใช่นะเนะีถ้าทําแบบนั้นมันจะเป็นสมถนะเนี่มันจะเป็นความ ตั้งใจมากเกินไปให้มีความตั้งใจใหม่ๆ ม, มีความตั้งใจแต่อย่าไปกําหนดมากนอย่าไปกําหนดมากนะมาทีภาษาน่ะก็บอกเ อ, อให้กําหนดรู้นให้ตั้งใจนะแต่มันก็เป็นสําหรับใ ห, ใหม่หรือเป็นสําหรับตอนขณะที่มันพุ้งซ่านี่เยอะแล้วก็กําหนดกลับเข้ามาตั้งใจกลับเข้ามา แต่ถ้ามันมากไปนะทำไปบ่อยทำมากไปเราก็จะติดกลายเป็นสมถะไปนะเป็นความเพ่งเป็นการจ้องไปนะล้วก็แค่รู้เบาๆรู้แบบสบายๆนะนะรู้เรื่อยๆนะเพราะจริงความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วนะความรู้สึกของกายนะมันมีอยู่แล้วนะใช่ไหมบางทีหายใจเบาๆเนะ่ะมันก็รู้สึกได้แล้ว กะพิบตามันก็รู้สึกได้แล้วนีมันขยับนิดนิดนิหน่อยมันก็รู้สึกได้แล้วนี่ถ้าสติระดีนะขยับนิดนิดนิหน่อยเนี่ยมันก็รู้สึกได้นี่มันมันเป็นธรรมดามากคล้ายๆเหมือนเราอยู่ในที่เงียบๆเลยนะมาแรงมันร้องอ่ะได้ยินไ่มมาแรงมันร้องเสียงอะไรมันร้องๆมันก็ได้ยินนะเออ ทั้งที่เสียงมนันอาจจะไม่ได้ดังมากแต่พอเราเราสงบเรานิ่งนะเราก็ได้ยินมันแต่ถ้าเราไม่เคยสงบเราพูดคุยเราไปฟังอย่างอื่นนะมันก็จะไม่ได้ยินเสียงเช่นแมลงร้องไก่ขันอะไรต่างๆแต่จริงมันมันมีอยู่แล้วความรู้สึกตัวนะเวลาเราขยับขยื่อนมันมีอยู่แล้วนะเราก็สามารถรู้ได้เลยแต่ก่อนเราก็รู้จักอิเล็บตน ใหญ่ใหยับหยาเนะน่ะเดินเดินแล้วค่อยรู้สึกนะยกมือแล้วค่อยรู้สึกนะกระทบแรงแรงแล้วค่อยรู้สึกนะเคลื่อนไหวชัดชัดแล้วค่อยรู้สึกนะมันก็ดีนะเริ่มต้นบางคนก็เริ่มต้นเนี่ยหยับหยาเนอะไปก่อนรู้สึกแบบหยับหยาไปรู้สึกชัดแบบหยับหยาไปก่อนซึ่งใส่ของข้อเทียนนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าเราอาศัยกันไีเรียบบทที่มันหยับหยาชัดชัดเนี่ยมาสร้างความรู้สึกตัวก่อน นะต่อไปพอสติเรามากขึ้นความสึกตัวที่มันละเอียดมันก็จะแทรกเข้ามารู้นะเช่นการหยุดนะแต่ก่อนรู้แต่ตอนการเคลือ่อนหรือตอนกระทบแรงแรงต่อไปขนาดที่หยุดนะก็รู้สึกนะหรือขนาดที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอาจจะมีความสึก ย, ยืดแทรกเข้ามานะไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปหามันนะเช่นลมมันพัดมากระทบปุ๊บมันก็รู้ตัวได้ หรือบางครั้งมันก็รู้สึกถึงการหายใจในแทรกไปบางขณะเอา้ามันก็รู้ของมันได้คือน้ำลายอา่ะรู้ได้ของมันอันนี้คือของสืบตัวที่มันจะด้านกายที่มันละเอียดขึ้นบางทีมันก็จะจะรู้แทรกเข้ามารู้แทรกเข้ามาบางทีรู้สึกถึงเนี่ยการเต้นของหัวใจรู้สึกการเต้นของเลือดเอ้ยตางๆนั่นนี่หลายอย่างนะ แต่ก็ไม่ต้องไปสงสัยนะบางคนก็ไปสงสัยมันใช่หรือเปล่าบางคนรู้สึกเหมือนโอ้บางคนรู้สึกเยอะเกินไปนะรู้สึกสมองมันมันเต้นมันไหลมันทํางานด้วยนะรู้สึกละเอียดมากข้างในคือมันจะอาจจะรู้สึกได้นะแต่อย่าไปอย่าไปแบบแค่แค่ตัวรู้เพื่อไปดูแต่ น, นั้นนะแล้วก็กลับมารู้สึกเอ่อ การเคลื่อนไหว อ, อย่างอื่นที่มันชัดขึ้นมาเนี่ยแหละแทนแต่อย่าเอาจิตไปแค่เช่นมมันละเอียดมากเลยเห็นสมองมันทํางานนะเห็นเลือดมันไหลเวียนอะไรนะแล้วเราก็สงใจคอยดูมันให้มันดูแบบละเอียดที่ว่ามันดีะ ไ, ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นนะรู้อะไรก็ได้นะแต่อย่าเอาจิตไปแค่ไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะการรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการรู้แล้วก็วาง รู้แล้วก็จบรู้แล้วก็ผ่านนะไม่ใช่รู้แล้วแช่ถ้ารู้แล้วแช่เนี่ยไม่ใช่นะไม่ว่าจะอารมณ์อยากก็ดีอารมณ์ละเอียดก็ดีถ้าเอาเอาความรู้เนี่ยไปแช่ไว้มันมันไม่ใช่สติปัฏฐานนะนั้นรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งนะรู้แล้วก็จบนะรู้ใหม่ไปเรื่อยอย่างที่มาว่าที่จริงความรู้สึกตัวสติมันคือตัวรู้ที่ปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยกายอะไรมันเด่นมันก็รู้ของมันหรือบางทีใจมันเด่นมันก็รู้ของมันมันรู้ที่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเด่นเนี่ยสิ่งที่มันเด่นสิ่งที่มันชัดนั่นแหละคือสติมันจะไ้รู้ตังนั้นแรกๆเรามีความตั้งใจรู้บางอย่างไปกอะแต่พอสติมันเป็นธรรมชาติจริงๆอัตโนมัติจริงๆเนี่ยมัน มันไม่สามารถบังคับสติได้นะจะต้องรู้แต่การเดินจะต้องรู้แต่ใจบางทีก็บังคับไม่ได้นะมันก็รู้ของมันเองอะไรที่มันเด็ดมันรู้ของมันเองนะไม่ได้ไปหาดูนะไม่ได้ไปหาดูแต่มันรู้ของมันเองแต่ก่อนเนี่ยธรรมมาก็พอฟังเรื่องการมีสติดูความคิดดูจิต ด, ดูใจนะเอาใจไปหา พยายามไปหาดูเอ๊ะตอนนี้เรารู้สึกแบบไหนตอนนี้เราคิดอะไรเนี่ยตอนนี้อารมณ์เป็นแบบไหนอะไมาเน่เอาใจไปหาใจไม่ใช่เลยนะคือการไปหาไวนะ้น่ะมันมันไม่ใช่แต่ก่อนไม่รู้เนาะก็จะพยายามไปหาไปดูไปสังเกตอนะไรแนัแต่ที่จริงมันเพียงแค่เรารู้สึกตัวกับการที่เราเดิน ในอะไรต่างๆนี่แหละนะแล้วพอความคิดมันแทรกมาปุ๊บอ๋อก็มันก็แค่นี้นี่เองนะออืมันก็แค่นี้ไม่มีอะไรเลยมากกว่านี้นะแล้วแต่มาเห็นชัดๆเลยกวาดลานวัดปุ๊บกวาดลานวัดกระดังแบบกวาดลานวัดแบบมันก็เคลื่อนไหวร่างกายนะไม่กวาดเยียยาเนี่ะกวาดเบี่ยงไม่กวาดนะเบี่ยงตาแต่ก็มันก็มีความสึกที่กายชัดมาก มีเกิดความคิดหนึ่งแทรกเข้ามาปุ๊บมาเอา้าความคิดมันแทรกเข้ามาเอา้าเราเห็นปุ๊บพอเห็ น, น ค, ความคิดปุ๊บความคิดดับไปเอา้าก็กลับมารู้สึกการกวาดใหม่เออมันต้องแค่นี้นะไม่มีอะไรเห็นแต่ก่อนเนี่ยไปคอยหาไปคอยหาดูว่าเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอะไรนะแต่พอจริงเนะ่มันเห็นว่าความคิดเนี่ยมันมันแทรเข้ามามันผุดเข้ามานะเออ คล้เหมือนเราดูอะไรนะดูโทรทัศน์อยู่นะมีคนวิ่งตัดหน้าเข้ามานะอ๋อมันตัดหน้านะแต่มันตัดหน้าแล้วไอ้เราปิดย่อไปตัวตัดหน้าแล้วก็เลยไหลไปกับมันนะอ๋อที่จริงไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะนะพอแค่ดูปุ๊บเนี่ยมันตกเลยนะตกเลยนะอันนี้คือเราไม่ต้องไปคอยหาดูมันนะไม่ต้องไปคอยหาดู ร่างกายส่วนอื่นกงเหมือนกันนะก็ไม่ต้องไปคอยหาดูมันนะมันเด็กมันก็รู้ของมันเองนะมันเด็กก็รู้ของมันเองแต่เราก็มีฐานในการรู้ของเราเนี่ยแหละนะรู้นะแต่ให้เป็นผู้สังเกตว่ามันมีส่วนที่รู้กับส่วนที่ถูกรู้ครับอย่างที่ว่ากายเคลื่อนนะกายเคลื่อนมันก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นที่กายนะจิตใจก็รับรู้นะมันเป็นความรู้สึกทั้งสอส่วนประกอบกัน คือกายมันเคลื่อนไหวหรือกายมันกระทบอะไรมันก็เป็นของจริงนะแล้วว่าจิตใจก็ไปรับรู้ใช่ไหมสมมติว่าเราแบบเอาใจไปรู้อย่างเดียวแต่กายมันไม่เคลื่อนแล้วเราว่ากายมันเคลื่อนมันก็ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่าใจมันไปรู้นะแต่มันไปรู้ไม่ใช่ของจริงเน่ยมันก็ไม่ใช่กายเราก็เคลื่อนจริงๆนะใจเราก็รู้จริงๆ แต่รู้แบบให้มันแค่แค so ่ร you know ู้พอนี like, ่ยเพราะี่ย์จะบอกเนี่ยแค่พลิกมือขึ้นรู้สึกพลิกมือขึ้นก็รู้แค่เนี้ยพอแล้วรู้คือย่อมาจากคำว่ารู้สึกเนี่ยพลิกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึกวางมือลงรู้สึกนแค่รู้สึกเฉยๆนะแค่รู้มันไม่ต้องไปมากว่า พกมือขึ้นรู้ว่าพลิกมือย ก, กมือขึอ้นรู้ว่ายกมือวางมือยกอรู้ว่าวางมือไม่ต้องนะคิดแค่รู้สึกความสึกอยู่ตรงไหนก็รู้สึกจริงๆที่ร่างกายเรานะั่นแหละพอเรารู้สึกจริงๆเนี่ยใจมันก็รู้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะมันถูกแล้วมันจบนะแค่นั้นบางทีไม่ต้องไปหามากมันเป็นเหมือนสนะัมผัสอะเหมือนเหมือนเรกินอาหารนะ พออาหารก็กระทบกับลิ AIDS, 6, <t> ้นเราอ่ะมันสัมผัสกับรสอาหารได้ตอนนั้นแ่ะมันคือสัมผัสตรงนั้นแหละนะคนรู้สึกน่ะเราไม่ต้องไปคอยคิดก่อนว่ามันรสอะไรหรือไม่ต้องไปแบบพยายามจะรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปเรียกก็ได้ว่ามันหวานมันเค็มมันมันนะมันรู้สึกตอนนั้นแหละนี่คือรสจริงนะรสจริงความเคลื่อนไหวความกระทบความหยุดก็เลยก็เหมือนกันนะ บางไม่ต้องมาพูดก็ไดนะ้แค่รู้สึกนะรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะหรือรู้สึกของการไหวของรูปจิตใจก็เหมือนกันแค่รู้สึกว่าจิตมันไหวไปนะจิตมันไวหวแต่จิตมันนิ่งนะถ้ามันเด่นเราก็รู้มันนะอันนี้คือสติที่มันรู้ลงที่ปัจจุบันนะแต่มันก็ไม่ไม่ได้ไปจมในปัจจุบันนะเป็นการเห็นเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความคิดจักอดีตปุ๊บนะมันเกิดขึ้นมามันคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เห็นเราไปคิดว่างแผนอนาคตวิตกเรื่องอนาคตก็เหมอกันมันไม่ใช่ใจเราไปอนาคตนะมันเกิดความคิดวิตกในปัจจุบันเราดูมาตรง น, นี้แหละเราไม่สามารถจะรู้อดีตหรืออนาคตได้หรอกนะคนเราเราสามารถรู้ได้แค่ปัจจุบันมันไม่ ไม่มีอะไรเป็นมากเลยนะเราก็แค่รู้มันอย่างที่มันเป็นเนี่ยให้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆรู้ตรงๆตัเนี้ย น, น, นะอ่าหรือบางทีมันกลุ่ไปรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะโยวบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ว่าจะรู้เร็วรู้ชัดตลอดนะอแต่เราก็อรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้ น, นะแต่ก็เนี่ยแล้วก็ใส่การเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไบ่อยๆเพื่อสร้างสติน่ะ เคลนไหวเพื่อสร้างสตินะสติมันจะได้เนี่ยพอมันมีงานทําเนาะร่างกายมันทานั่นทํานี่เนาะเราก็จะได้มีสติรู้ตัวที่จริงรูปแบบการภาวนาจริงมันคือคือเรียกว่าปลุกสติเนาะปลุกสตเิเหมือนกับร่างกายของเราอะ่ะเรานอนหลับ๊มีคนมาปลุกนะมันก็ตื่นนะใช่ไหมเดินะอะเรานั่งเมื่อมีคนมาสะ ก, กิดเราก็ตื่นนะตื่นออกมาจาก อาการเมื่อตื่นออกมาจากความหลับใช่ไหมในตาปลุกขึ้นมาเพื่อนปลุกขึ้นมานะเราก็ตื่นมันก็แบบนั้นแหละนะเราตื่นออกมาจากโลกของความคิดโลกของความหลงตรง น, นั้นแหละนะก็มาอยู่กับความรู้สึกตัวรูปแบบกรรมาฐา น, นจริงๆคือเป็นเครื่องมือปลุกให้เรารู้สึกตัวแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรไม่ต้องไปแยกแยะอะไรมากนะบางคน ถ้าต้นแบบไหนนั่นนี่แบบไหนนะเอาเอาความรู้สึกของเราที่เราสัมผัสว่าเคื่องแบบนี้มันพอดีในแต่ละขนาของเรานะเร็วแบบไหนช้าแบบไหนแรงแบบไหนกระทบแบบไหนมันสัมผัสได้ตัวเราเองเดียวนะมันไปก๊อปปีออ้คนอื่นก็ไม่ได้หรอกนะถ้าเราไปก๊อปปี้ลองทำตามครูบาอาจารย์ก็ลองได้นะแต่ก็ต้องลองแล้วก็กลับมาดูว่า เราลองทำตามแล้วมันพอดีกับเราเปล่านะบางทีท่านเคลื่อนเร็วเราเคลื่อนเร็วไปตามท่านเร า, เราไม่ร้สึกเราไม่รู้สึกตัวเราเพลินไปมันก็ไม่ถูกนะนะบางทีเราเคลื่อนช้าเอ้าเราก็เคลื่อนได้นะแต่เชื่อนเคลื่อนก็มันอึดอัดอ่ะไม่ใช่ละใช่ไหมเคลื่อนแบบเพลินๆก็ไม่ใช่เคลื่อนแบบอึอดอัดก็ไม่ใช่นะเคลื่อนแบบไหนพอดีอ่ะต้องหานะต้อง เมื่กี่จักรยานนะ่ะจะบอกว่าให้ตั้งใจแบบไหนให้ผ่อนคลายแบบไหนนะมันก็บอกเป็นคำพูดไม่ได้แต่เราจะสัมผัสได้สัมผัสได้เพราะความรสึกตัวมันมีอยู่แล้วนะนเราเพียงแค่เปิดใจสัมผัสนะัในในการรับรูนะ้อสิ่ที่มันเกิดขึ้นนะในตอนนั้นเนะี่ยมันก็เรียกว่าความรสึกตัวเหมือนกันไม่ว่าจะรู้สึกที่กายก็คือความรู้สึกตัว ไม่ว่าจะรู้สึกที่ใจก็คือความรู้สึกตัวแต่ความรู้สุตัวจริงคือมันรู้แล้วมันก็จบทีละครั้งรู้แล้วก็จบทีละครั้งไม่ใช่รู้แบบยาวๆรู้เรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยเกิดไม่ใช่นะมันรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบนะจบที่การรูนะ้ไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นนะนะนี่คือสิ่งที่นะเรา มาเพียรมาฝึกฝนมาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวรู้เนี่ยมันคล้ายๆมันติดนะมันพอใจที่จะรู้สึกตัวมันขยันที่จะรู้สึกตัวมันเป็นอัตโนมัติที่จะรู้สึกตัวไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะความรู้สึกตัวถ้ามันติดนะนติดสร้างให้มันติดนะเหมือนครับเราปลูกต้นไม้นะโอ้ต้นไม้มันติดอะ รากมันติดกับดินโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพอมันติดแล้วมันจะแข็งแรงมันจะหาอาหารเองได้นะมันจะเติมโตตัวเองได้สติดก็เหมือนกันพอเรามันติดนะมันติดเนี่ยคราวนี้อ้อจะทําอีกบนอย่างอื่นอ่ะสติมันก็จะติดเข้าไปในการรับรู้จะทํางานสติก็ติดเข้าไปอยู่กับการทํางานจะอยู่บ้านสติก็ติดเข้าไปอยู่กับการอยู่ที่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยทําให้มันติดนะ ติดเป็นนิสัยติดเป็นความเคยชินเนี่ยติดในจิตใจของเรานะในการที่จะฝ่รู้สึกตัวมันจะเตือนนะอ๋อพอ น, นั่งนิ่งๆปุ๊บเนะ่ะเริ่มเมอแล้วอ่ามันจะขยับของมันอ๋อขยับเรียสติกมากของมันเองไม่ต้องคอยใครมาสกนะกิดละอ่าออมันจะรู้ตัวเองว่าเราเมอเราคิดละวางเมื่อไดปุ๊บอ่ะรู้สึกตัวเนี่ยคือความขยันนะ ขยันจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบังคับเราให้ขยันแต่ถ้าเรามีสติติดตัวเนี่ยมันจะขยันเองอัตโนมัตินะหรือบาทีนั่งนิ่งๆนะเนะ่ยบางทีไม่ขยับร่างกายนะมันก็รู้ลมหายใจของมันะรู้การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของร่างกายของจิตใจของมันเองนี่คือสติมันติดนะสติมันติดเนี่ยเราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะเจนทั้งสติมันติดนะ การภาวนามันก็จะเป็นชีวิตปไปเลนะภาวนาก็ไม่ใช่เป็นรูปแบบนะภาวนาคือชีวิตนะไม่ว่าจะรู้กายก็ดีรู้ใจก็ดีนะคือชีวิตเราก็อยู่กับการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างเลยน ะ, ะก็ฝากไว้